เพราะว่าเป็นคนเก่าเคยปฏิบัติมาแล้วยอมรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้จิตเข้าสู่ความสงบและให้จิตรูแจ้งเห็นจริงในอัในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถทำจิตให้เป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวโดยการพิจารณาพิจารณาเห็นความจริงในตัวของเราเพราะเรายึดเราถือนั่นแหละเราถึงได้มาเกิดบ่อยๆมาเกิดซ้าๆซากๆ เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกตลอดเวลาเราต้องรู้วิธีหนีจากกองทุกข์โดยทางมรรคแปดปฏิบัติดำเนินตามมรรคแปด มักคแปดก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรจึงเรียกว่าเห็นชอบเห็นตัวตนของเรานี่แหละเห็นตัวของเรานี่แหละเห็นชัดลงไปว่าตัวเรานี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ในถ้ำกลางแตกสลายตายไปในที่สุดทุกคนเกิดมาเจอทั้งนั้นเห็นมาร์กแปดอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ใจเราเห็นแล้วแล้วก็แล้วไปไม่รู้เรื่องอะไรเห็นคนเกิดเราก็เคยเห็นเห็นคนแก่เราก็เคยเห็น เห็นคนตายเราก็เคยเห็นเนี่ยเราเห็นอยู่ถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ยิ่งเห็นคนเก็บไข้ได้ป่วยเพิ่มขึ้นไปอีกแต่เราไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวเราโอปัญยิโกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทำผู้ที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว ตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็เราก็เห็นทุกนึกเห็นอริยสัจให้น้องเข้ามาใส่ใจน้องเข้ามาใส่ตัวเราความเกิดเราก็เกิดมาแล้วความแกแ่เราค่อยดําเนินไปความตายก็เป็นอันที่สุดนี่แหละให้น้องเข้ามาใส่ตัวเรา มาใส่ตัวตนของเรานี่แหละที่เราถือว่าของเราของเรานี่แหละเราเอาได้ไหมเราถือได้ไหมเรายึดได้ไหมแต่พระพุทธเจ้าพ่อว่ามันไม่เที่ยมัมนเป็นทุกข์เป็นหนาา้าตาท่านให้ดําเนินตามมาเปิดให้รู้ว่า คนเราเกิดมาเพราะความยึดความถือของเรานี่แหละถ้าเราไม่ยึดไม่ถือเราก็ไม่ต้องมาเกิดในภพภูมิไหนอีกเราก็ไปพะนิ์ผ่านเราก็พ้นทุกข์เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร น, นั้นอีกคนแต่และคนเกิดมานี่ ไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่ชาตินี้แล้วก็แล้วไปชาตินาไม่เป็นไหลชาตินาไม่มีพูดไงไม่ใช่อันนั้นเข้าใจผิดคนเรามีเกิดต่อเวลาที่ยังมีกิเลสอยู่หมดกิเลสถึงไม่เกิดถ้ายังมีกิเลสมีราคาโทสมโมหะอยู่ ถึงเราจะไม่อยากเกิดมันก็ต้องได้เกิดราว่าเราว่าแกเราไม่อยากแก่มันก็ได้แก่ไม่อยากเก็บมันก็เก็บไม่อยากตายมันก็ตายให้น้องเข้ามาดูตัวเราว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนให้พิจารณาลงไปว่าตัวเรานี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยจริงๆ ให้น้องเข้ามาดูตัวเราให้เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนาสั่งสอนไว้อันนี้ธรรมะขั้นสูงธรรมะขั้นสูงขั้นสูงก็ไม่ใช่ว่าอยู่บนฟ้าบนสวรรค์นนะอยู่มนุษ์นี่แหละแต่ว่าฟังธรรมขั้นสูง ที่ความเกิดความแก่ความเก็บความตายแหละธรรมะชั้นสูงเลยนี่ทุกคนต้องได้ผ่านหมดอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้น์จึงให้น้อมเข้ามาพิจารณาตัวตัวเราตัวเราจะเป็นอย่างนี้นี้จากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เนี่ยธรรมะขั้นสูงขั้นปรมัตดขั้นยวดยิ่งขั้นจริงๆ ขั้นที่สามารถให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ไมห่หลงเข้าไปยึดไปถืออีกราคะก็หมดไปโทสะก็หมดไปโมหะก็หมดไปกิเลสตัณหาหมดไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่อันนั้นแหละเราจึงไม่มาเกิอดอีกเราเสวยสุขในพระนิพพาน เราไม่ได้เสวยทุกไม่มีทุกให้ได้รับแต่ถ้าตามปกติแล้วเราเกิดมานี่ต้องได้รับหมดแหละไม่เบือ่อไม่หน่ายไม่คลายความยินดีอือก็ต้องยึดต้องถือต้องเกิดอีกอยู่ เมื่อเราจะต้องเกิดเราก็ต้องถ้าไม่มีมรรคผลนะถ้าไม่มีมรรคไม่มีผลนะยังไงยังไงมันก็ต้องเกิดเกิดมาก็ต้องพบทุกเจอทุกเห็นทุกแต่ถ้านอกเข้ามาใส่ตัวเบื่อหน่าย ว่าตัวเราจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันก็เบื่อหน่ายหายความยินดีหมดความหลงในตัวตนอันนี้ปล่อยวางได้หมดความยึดความถือได้พระพุทธเจ้าสอนไวน้สิมันชัดเจนที่สุดแล้วแต่เพียงแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวเรา เราเลยไม่เห็นความจริงเราต้องพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดลงไปในตัวเรานี่แหละทุกส่วนทุกสิ่งเราต้องเห็นชัดด้วยตัวของเราเอง อ่านตำราอ่านคำสอนอันนั้นไปเรียนรู้หลักทำตามปฏิบัติตามนี่คือความจริงที่เราจะต้องได้ประโยชน์ชวนอ่านตำราก็าเหมือนอ่านแผนที่เราจะต้องไปอย่างนี้ถึงหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้แต่การปฏิบัตินี่เป็นการ ไม่ต้องเดินทางไปไหนรู้เข้ามาที่ใจอย่างเดียวเห็นเข้ามาที่ใจอย่างเดียวละก็ละได้ที่นี่แหละที่ใจเรานี่แหละกิเลสตัณหามันก็เกิดที่ใจเราเกิดขึ้นที่ใจเราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็ใจเรานี่แหละเป็นทุกข์เป็นร้อน อันนี้เรียกว่าธรรมะสำหรับคนเก่าต้องพิจารณาให้เห็นธาตุขันตัวตนอันนี้ให้ชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นตาราบใดที่เรายังไม่ได้มากผลเราก็ต้องทุกข์อยู่ตลอด ไม่ทุกเรื่องหนึ่งก็ต้องทุกเรื่องหนึ่งเรื่องที่จะไม่ทุกไม่มีแต่ถ้าเราเห็นทำแล้วความทุกข์ก็ลดลงมีแต่ความสุขสบายเกิดขึ้นแทนที่นี่แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเรานี่สาหรกคเก่าที่ผ่านการฝึกมาแล้ว เราต้องฟังถิ้งสูงขึ้นให้เห็นชัดขึ้นพอสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมันเป็นอย่างนี้แหละเห็นในตัวตนของเรานี่แหละเห็นในอาการสามสิบสองนี่แหละสัมมาทิฏฐิเห็นชอบถ้าเห็นว่าตัวเรามีความเกิดความแก่ความเกลียดความตายความพัดพรากจากจร ความโศกเศร้าเสียใจพี่หลายลำพันถ้าเราเห็นชัดอยู่ในตัวของเรานี่ก็เราเรียกว่าเราเห็นธรรมเห็นธรรมเห็นทางคนทุกเห็นทางหนีจากกองทุกเรานี้จากกองทุกได้กันแล้วถึงไม่หมดก็ยังมีส่วนได้ที่ควรภูมิใจ ว่าชีวิตนี้เราเกิดมาไม่ศูญเปล่ายังได้มีการได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความจริงเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองตรงนี้แหละมันน่าพาคภูมิใจเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นเราไม่ได้อย่างนี้เราปล่อยให้เกิดความเล่นเล่อเพลิเพลิ น, ป น, ป น, ปนไปตามเรื่อง แต่พอเราปติบัติเจ็ดวันนั่งสมาธิขูดเก้ากิเลสตัณหาลาคะอวิชชาออกจากใจเราก็ได้สมใจเรากิเลสคือลา่ะก็หมดไปโทสะ ก, ก็หมดไปโมหะก็หมดไปกิเลสตัณหาก็หมดไ ป, ด ห, ห, มดไปหมดไปจากใจเรา ให้เราเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีนี่แหละสมาธิเห็นชอบเห็นอย่างนี้คือเห็นตัวตนของเรานี่เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละเห็นเข้ามาที่ตัวเราว่าตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้นหนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่พน้น เราจะไปอยู่ที่ไหนในถรร้มก็มีความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายบนฟ้าก็หนีไมพ่พ้นไปในทะเลมหาสมุทรก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นจากขอบเป็นอย่างนี้ นี่ไม่พ้นเลยเราไปบบอยู่ที่ไหนก็หนีไม่พน้นอยู่บนอากาศก็หนีไม่พน้นอยู่ในถ้ำในเหวก็หนีไม่พน้นอยู่ในทะเลมหาสมุทรก็หนีไม่พน้นจากความเป็นอย่างนี้คือค ว, ความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี้พูดงง่ายมีอยู่ทุกตารางนิ้ว พื้นปฐพีที่เราเห็นนี่คือกองกระดูกของมนุษย์ชาติที่เกิดตายทับถมแผ่นดิน น, นี้ไว้เรียกว่าถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมเห็นดำขึ้นมาในใจเรา ใจเราก็สบายเย็นลมหายใจก็ อ, อ่ อ, อนๆเราไม่ได้ตั้งใจทำหรอกมันแต่มันเป็ น, ปนของมันลมหายใจก็อ่อนสบายไม่มีวิตกกังวลอะไรจิตใจของเราทำกลางโอถึงเย็นเมื่อเราน้ำแข็งมาใส่เย็นสบาย นั่งอยู่ก็สบายนอนอยู่ก็สบายทาอะไรอยู่จิตใจเราก็สบายสบายอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ความเห็นชอบเห็นอย่างนี้ความดําดีชอบก็เหมือนกันดําดีออกจากกามดําดีไม่พยาบาทดําดีไม่เบียดเบียนข้ความคิดเราดีดีเอง คิดเป็นพเพย์บาทเบียดเบียนก็ใจของเราดีเองที่มีกิเลสมันเป็นต้องแก้ไขธรรมารสังคปะความดมดีชอบต้องแก้แก้ลงไปที่ใจของเราเนี่แหละให้เห็นโทษ ของกิเลสตัณหาให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดดํารีออกจากกามเสียดํารีไม่พยาบาทดํารีไม่เบียดเบียนชาวธรรมะเรานี้มาใส่ใจเรา เอามาไว้ที่ใจเราให้มีอยู่ในที่ใจเราเราก็จะสบายความนัมรีก็เป็นความนัมรีชอบนัมรีออกจากกามนัมรีออกความไม่เบียดเบียนพยาบาทพองไร้ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเหมือนกัน มันเป็นปัญญาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้เห็นในอรรถภาพตัวตวนนี้จริงๆให้แก้ไขส่วนไหนที่มันไม่ถูกต้องพิยามตามไม่ถูกต้องให้แก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เห็นชัดลงไป ไม่ต้องฟุงฟ้งซ่านคิดลึกนั่นนี่หรอกถ้าฟุ้งซ่านคิดนึกนั่นนี่ต่างๆมันก็ยังหนีจากทุกข์ไม่ได้พอมันฟุ้งซ่านอยู่มันยังมีฐานของกิเลสอยู่มันยังฟุ้งซ่านมันยังรามัดระอยู่อันนั้นไม่ถูก ต้องแก้ไขตรงนั้นไม่ให้มันฟู้งซ่านให้มันอยู่กับความสงบคือให้มันเป็นสมาธิให้มีมากมีผลเกิดขึ้นถึงแม้ว่าไม่สุดไม่ถึงพระละหันให้เป็นโซดาบันนี่ก็ดีอยู่แล้ว ถ้าถึงพระอรหันต์ก็เป็นยอดยอดปัถนาของคนผู้ต้องการพ้นจากทุกข์โสราบันก็มีคุณใหญ่สูงเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ขอสู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นใหญ่ในสวรรค์ ก็สู้ความเป็นพระโสดาบันไม่ได้ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้นกามาโลกคือเป็นใหญ่ในมนุษย์สัตว์นรกไอสวรรค์ความเป็นใหญ่ในโลกทั้งสิ้ น, นโลกนี้นะ่ะอยู่ในอำนาจของเราทั้งหมด เราสามารถสั่งซ้ายให้ได้ซ้ายสั่งขวาให้ได้ขวาตามใจเราหรือตามอำนาจความต้องการของเราเราต้องปรารถนาสิ่งไหนได้สิ่งนั้นอย่างใจที่เราปรารถนาก็ยังสู้ความเป็นพระโสดาบัดไม่ได้เรความเป็นใหญ่ทั้งสิ้นเนี่ยสู้ความเป็นพระโสดาบัดไม่ได้ ทำไมยึงไม่ได้สู้ความเป็นพระสบันไม่ได้ยังไงเป็นพระโสราบันมากเกิดในโลกมนุษย์อย่างชาติสุดเจ็ดชาติเท่านั้นเองแต่ถ้ายังไม่เป็นโสราบันนะถึงจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิถึงจะเป็นเทพทเทวดาในสวรรค์ ถึงจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นก็หนีจากกองทุกไปได้หนีจากการเรียนไาวตายเกิดไม่ได้คือจะต้องเกิดอีกอยู่เป็นพระราชามหากัตรมีแพทย์มีหมอมีพยาบาลมีคนดูแลรักษาตายไปแล้วไม่พ้นจากนารก ตายไปแล้วไม่ไม่พ้นจากความเป็นกำเนิดเดือดสารเปิดอสุรากายนื่จากความเป็นอย่างนี้ไปไม่พ้นยังไปนรกอยู่ยังเวียนร่ายตายเกิดอยู่ยังมีพบมีชาติสูบบ้างสตำบ้างอยู่เอาแน่นอนไม่ได้อะไรเลยเอาแน่นอนไม่ได้ ชาตินี้เราอาจจะไปตายจากมนุษย์แล้วไปสวรรค์ตายจากมนุษย์แล้วไปสวรรค์ไปสวรรค์หมดบุญจากสวรรค์อาจจะไปนรกอีกก็ได้ไปตัวนรกอีกก็ได้พ้นจากนรกมาเกิดเป็นคนก็ได้หมดบาปหมดกรรมแล้วก็มาเกิดเป็นคนทำดีบ้างทำชั่วบ้าง ตามวิสัยของผู้ที่มีกิเลสความเป็นใหญทั้งสิ้นความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นเจ้าจากักรพรรดิก็อนี้จากความเกิดความแก่ความเจ็บมรณะไม่พ้นหนีจากนรกไม่ได้หนีจากเปรดไม่ได้หนีจากสัาาตว์เดรัจฉานไม่ได้หนีจากความเป็นอสุรกายไม่ได้ส่วนพระโสดาันหนีได้ นีจจากความแก่ก็ได้นีจจากความเกิดก็ดนีจจากความเก็บก็ได้นีจจากความตายก็ได้ไม่กลับวนเวียนในวตานีินานแสนนานถึงแม้เราจะมาเกิดก็ไม่ผิดหวังต้องเกิดในตระกูลสัมมาทิฐิตระกูลที่ดีตระกูลที่สามารถบำเพ็ญกุณมความดีเพื่อนีจจากกองโชคได้ นี่มันไปอย่างนี้ให้พิจารณาดูการเป็นใหญ่คนนี้จะเอาความเป็นสัตรูโลกไม่ได้ส่วนพระโสุรบันไม่ถูกนรกแล้วถึงแม้จะมีการเกิดแก่เก็บตายอยู่ก็จริงแต่ก็ไม่เกินเก็ชาติ ตัวเรานี่แหละได้ประโยชน์ใจเรามีธรรมะใจเรามีมากมีผลเราก็ตกสูงส่งมากผลไม่ใช่ว่ามันมีสมัยพระพุทธเจ้าอย่างเดียวสมัยพระพุทธเจ้าก็มีคนฟังทำคำสอนพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ก็มี สมัยนี้ก็ยังมีอยู่เพราะอะไรจึงมีเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้ายัางอยู่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยยังนำลงอยู่ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ายัางมีอยู่ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ความพนทุกข์ก็ตงเกิดขึ้นได้เราจะสงสัยนะคำสอนพระพุทธเจ้าอะไรมันก็สัมมาทิฏฐินี่มันยังมีอยู่สัมมาสัง ก, กปัปปะยังมีอยู่สัมมาวาจายังมีอยู่สัมมากมันตะยังมีอยู่ สัมมาชีวะยังมีอยู่สัมมาไรายามะความพยายามยังมีอยู่ความพยายามชอบนะ ย, ย, มมบยังมีอยู่สัมมาสติตั้งสติชอบยังมีอยู่สัมมาสมาธิตั้งสมาธิหรือตั้งจิตให้เป็นสมาธิยังมีอยู่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้เนี่ยยังมีอยู่อย่างพวกเราทำอยู่เดี๋ยวนี้คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาเป็นหลักในการปฏิบัติก็เอาอนาปานาสติมาเป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอนาปานาสตินี้เหมือนกันจึงได้หลุดพ้นจากเป็นบุตรชนเป็นสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาได้มันยังมีอยู่ ความมรรู้มากผลมันก็ต้องมีอยู่ถ้าคนทําตามถูกต้องแล้วมันต้องมีอยู่ทำยังไงยังไงมันก็ต้องมีอยู่มันเห็นอยู่มันรู้อยู่มันสามารถทำได้สามารถปฏิบัติตามได้ให้เกิดความสุขความเจริญได้ให้ถึงสี่สุดของทุกได้ให้ถึงมรคลทีิผ่านได้ คำสอนพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์อยู่ไม่ได้สูญหายสลายไปแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ยังสมบูรณ์อยู่ทุกสูตรไม่ว่าธรรมไม่ว่าวินาันไม่ว่าพระประมัติศคำสอนอันนั้นยังเหลืออยู่ทุกทุกอย่างพาะนนจาไว้ทั้งหมดเนี่พระนนเป็นคนจําไว้ จำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้แสดง ว, ว่าความจำในสมัยนะั้นคงจะพระ อ, อนุ์คงจะยอดเยี่ยมจริงๆนะความจำสามารถจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้ทำเป็นเล่มหนังสือรนะตับเก้าสิบเอ็ดเล่มมีแต่เล่มใหญ่ทั้งนั้นจำได้มด ในวันทำสาญญาาัสงฆทานาพระสงฆ์ห้าร้อยเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าที่ยังรอพระอนตน์อยู่พระอนุนยังเป็นพระโสดาบันอยู่ยังไม่ได้เป็นพระราหารันปฏิสพิธาหรืออภิญญาพธิกที่เข้าประชุมนี่มีแต่พระราหาัน ร, รุ่นพระพุทธเจ้าบวชให้ มีพระมหากัตปะเป็นต้นพระ อ, อนุนก็ตกเร่งความภาคความเพียรพวงนี้นี่ยจะทำสังกา ย, ยนาแล้วยังเป็นพระโสดาบันอยู่จะทำยังไงดีนี่พระอรหันห้าร้อยที่จะเข้าประชุมทำสังกา ย, ยนาคือรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เป็นหมวดหมู่พานนทําำเพียรทั้งวันทั้งคืนไม่สำเร็จตรวจค้นดูพระไตพิรกที่ทอกมาจํามาเรียนมาปฏิบัติมาก็ไม่บรรลุพอหมดโอ้ถ้าอย่างไี้ก็พักขวหลับนอนแล้วทาทั้งคืนแล้วพอเอาหัว ลงไปยังไม่ถึงหมอนจิตก็กระเบิดเลยสำเร็จเป็นพระอรหันในตอนนั้นเลยเวลาจะไปสู่สังคมพระอารหรันถ้าเดินไปธรรมดามันก็ไม่วิเศษอะไรนี่ก็ดำลงปุ๊บไปโผล่ขึ้นที่ตรง ที่นั่งของเจ้าของเลยที่เขาปูวไวนะ้น่ะไปขึ้นตรงนั้นเลยพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเห็นพระอานนท์ทําได้อย่างนั้นก็มั่นใจในสิ่งที่พระอานนท์วรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้ทําสังกา ย, ยนาพระธรรมวินยัยแปดหมื่นสีพันพระธรรมวิคขันนี่พระอานนท์เป็นคนจําไว้ ส่วนพระวินัยก็เป็นพระอุบาลีคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งธรรมก็ดีทั้งวินัยก็ดีอย่างอยู่ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนคนไม่ปฏิบัติตามต่างหากที่ไม่รู้ไม่เห็นถ้าผู้ปฏิบัติตามแล้วเนี่ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจ ต้องสามารถหนีจากกองทุกได้หนีจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้พิจารณาให้มันดีพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปที่กายแล้วนี่แหละแยกส่วนต่างๆจากกันซึ่งเราเรียกว่าวิปัสสนา คือทาให้เห็นของจริงให้เห็นของจริงในตัวตนของเราให้มันหมดความยึดความถือได้ความยึดความถือไม่มีมีแต่ความปล่อยวางมีแต่ความสบายใจมีแต่ความสุขใจ คำสอนมีอยู่เราปฏิบัติตามอยู่ทำไมมันถึงจะไม่เห็นความจริงล่ะเพราะต้องเห็นเห็นความจริงก็ต้องวันรูุเพราะต้องปล่อยวางได้แล้วจะถามว่าปล่อยวางยังไงก็วางคือไม่สนใจ ในสิ่งที่ไม่จริงไม่ยินดีในตัวตนอันนี้ฮละ่ะไม่ยินดีในตัวตนเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีทุกข์ไม่รู้จักสบสิน้นอย่างพวกเราเนี่กี่ครั้งกี่หวนแล้วถ้ามาเกิดนี่ถ้ามีความสามารถวันรุอภิญยา ตรวจดูซิว่าเราเกิดนี่มันมากี่พบกี่ชาติแล้วมันนับพบนับชาติไม่ท้วนนับกลับนับกันไม่ท้วนการเนือนไายตายเกิดของเราสูงบ้างต่ำบ้างเป็นคนดีบ้างเป็นคนชั่วบ้างเป็นคนหยาบบ้างเป็นคนละเอียดบ้าง ได้ดีตกยากสารพัดแต่มันจะเป็นไปบางคนยากโจรเกจน เ, เกิดมาหาเงินจะซื้ออยู่ซื้อกินก็ไม่มีแต่บางคนก็ร่ํารวยไม่อดไม่ยากทำมาหากินอะไรกเกิดทับเกิดสินเกิดเงินเกิดทองเกิดสมบัติต่างๆไม่อดไม่ยาก อันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาทําบุญไว้เขาทําความดีไว้เขาทําบุญทํากุศลไว้เขาเกิดมาจึงไม่อยากจนไม่ลํำบากไม่ขัดสนไม่อดไม่อยากกินก็ไม่อดไม่อยากอะไรก็ไม่อดไม่อยาก มีแต่สิ่งที่ดีๆอันนั้นเกิดจากกุศลศีลฐานของเขาถ้าเขาไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่แน่นอนล่ะก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันผู้มมที่ทมบุญทำกุศลไว้มันก็สูงส่งด้วยบุญด้วยคุณ ด้วยความดีงามไม่ตกต่ำพอเราทำบุญทากุศลทำคุณงามความดีไว้เราเกิดมาเราก็ไม่ตกต่ำเกลียดชาติไแปบบชาติก็ไม่ตกต่ำไม่อดไม่อยากเปรียบเทียบกับคนที่ไปทำบุญทากุศลไม่สั่งสมคุณงามความดีอะไรไว้เลย ขาดทุนนะมาเกิดชาติเนี่ขาดทุนมาเกิดเป็นคนเสียข้าวเสียน้ําเสียที่อยู่อาศัยเสียพืชปัตตภีเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียโอกาสดีเกิดมาแล้วไม่ได้ทําความดีเอาไว้ตายแล้วถึงมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเราเกิดมาประมาทมากไม่ได้ทําความดีความงามอะไรไว้เลย ไม่ได้ทำเหตุแห่งความสุขความเจริญไว้เลยเพราะความที่เราเกิดมาแล้วประมาทมัวเมาประมาทมัวเมาลุ่มหลงมาเราไม่ได้ทำความดีเอาไว้เกิดมาก็ถึงความยากไรอนาถาส่วนคนที่เขาทำบุญทรากูลไว้มันสบาย ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นการเดือน่ายตายเกิดของผู้ที่ยังไม่พ้นเกลียเป็นสูงๆต่ำๆสูงก็พระได้ทำความดีเอาไว้ให้ทานไว้รักษาสินงหนึ่งปฏิบัติภาวนาไว้ถ้าเกิดในภูมิสูงเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นเทวดาหมดวุ่นจากเทพเทวดาเขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ อำนาจบุญเนถ้าบ่าวเข้าไปในโลกเลยนานแสนนานก็นจะได้ม า, มาเกิดเป็นคนเพราะเหตุนี้เองคนจึงเล่งเล่งทำความดีเล่งให้ทานเล่งรักษาศีลเล่งปฏิบัติภาวนา ให้มันเกิดให้มันมีอยู่ในตัวของเราให้มันเกิดอยู่ในตัวของเราให้มันมีในตัวของเราตัวของเราเนี่สําคัญแต่เราเห็นชาติตัวของเราก็เกิดครบเบื่อหน่ายก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าเกิดอยู่อยากมีความสุขก็ต้องสร้างบุญสร้างกุศล สะสมกุศนามความดีไว้มันก็ถึงจะมีสุขถ้าเกิดมนุษย์แล้วไม่ได้ทําความดีอะไรไว้เลยมันขาดทุนมาเสียเวลาเปล่าเกิดมาเสียเวลาเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรเกิดมากินข้าวกินน้ํากินอย่างที่ดินที่ดอนที่นอนที่พักกันเกิดมาหนักโลก เกิดมาแล้วไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไว้เลยความดีอะไรก็ไม่ได้ทําไว้ทานเราก็ไม่ได้ให้ไว้เลยจะอะไรเป็นที่พึ่งะอะไรเป็นความสุขให้คิดดูบางคนเด่นตั้งอยู่ในห้องแอร์นู่นสบายกินก็สบายนอนก็สบายนั่งอยู่ก็สบายว่าเงินทองก็ไม่อดไม่ยาก รับชิ้นจมบัตรก็ไม่อดมอยาดเข่าของเงินทองไม่อดไม่ยาดแต่บางคนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานทั้งวันสมัยก่อนสมัยอัตวายังเป็นเด็กอยู่มีคนมารับจ้างคุณคุณตาจ้างมา ให้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายให้พอไล่ควายเขา้ขาฟอกเขาก็จ่ายเงินให้หนึ่งบาทตาให้ไปหนึ่งบาทเดือนหนึ่งก็ส0สบบาทแต่ปัจจุบันนี้ต้องสามร้อยทำงานทั้งวันไม่ได้พักได้ฝนฝนตกก็ไม่ได้หยุด อะไรๆก็ไม่หยุดทำอย่างนั้นแหละรับจ้างเขาอย่างนั้นเน่ยทำไมจึงเป็นอย่างนั้นโอ้ในทรรมบทนี่พูดไว้เยอะพูดไว้มากหลักสูตรประเรียนสอบประเรนสามนี่พูดเรื่องคนกินคนทานคนได้ทำความดีเอาไว้แสดงไว้มากเลย เรื่องการทำความดีบางคนได้ใส่บาตรบางคนได้ทำบุญส่วนนั้นส่วนนี้เพาได้บุญได้กุศลมีความสุขความจเจริญเปรียบเทียบกันดูที่ว่าคนมันต่างกันไหมอีกคนหนึ่งอยู่สบายเลยอีกคนหนึ่งตอกแดดตากลมร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่กลัวแดดออกฝนตกก็ไม่กลัว ทนทุกข์ทรมานทำมาหากินรับจ้างเขารับจ้างเขาทำมาหากินรับจ้างวันหนึ่งก็กินไปเพื่อวันหนึ่งๆต่างต่างเกิดมาไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนไม่จะใส่บาตรก็ไม่มีบางคนมีจะใส่บาตรก็เอาของเอาแกบเอาลำทำเป็นขนมปิ้งแล้วก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้า วัไใ้บุญแน่นี้สง์ตายไปแล้วก็เป็นเทพเป็นเทวดาอันนี้หมายถึงผู้ที่ไม่หลุดพ้นยังไม่พ้นจากทุกข์ก็อย่าประมาทให้ทาบุญทากุศลไว้สร้างหุ่นนำความดีเอาไว้ มากก็เป็นความดีของเราน้อยก็เป็นความดีของเราเราทำเอาไว้ทามาจ่งทากว่าในฐานะที่เราจะต้องเกิดแก่เก็บตายอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติเราก็ต้องทำบุญไว้เราเกิดมาก็ถึงจะไม่ทุกข์ยากอนาถาเราจะไม่เกิดกี่พบกี่ชาติมันก็มีความสุขถ้าเราได้ทำบุญนำอุปสมไว้มันก็ไม่ตกต่ำ ผู้ปฏิบัติธรรมจะให้บารู้บมทุกคนเน่ยเขายากอยู่มันก็เป็นบรรลุทั้งหมดมก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามธรรมดาของมันตามบุญตามกุศลตามวาสนาบา ร, รมีแต่ก็ถือว่าดีที่เราเคยทำความดีรบกันมาก่อนมันก็มาชาตินี้ก็มาทำความดีด้วยกันอีกคนที่ทําไว้เท่านั้นถึงจะมีความสุขความดีเนี่ยถ้าไม่ทําไว้ เราก็ผิดหวังขาดทุนที่มาเกิดเ ป, ปน็นมนย์แล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยเราก็เกิดมาก็เป็นคนยากจนอนาถาําบากระโบนอย่างที่ว่ามาแล้วทนทุกข์ทรมานก็ต้องให้ทำความดีเอาไว้บ้างแต่ถ้ามันจะได้มากได้ผลก็ให้มันได้ไปเลย นั่นแหละมันดีที่สุดแล้วอันนั้นเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันก็เลวเข้าไปอีกกว่านั้นนะมันเลวเข้าไปอีกมันสามารถที่จะทำให้ปล่อยวางได้ละความยึดความถือได้ไม่สำคัญมันหมายในตัวตัวนี้ได้เกิดความเบื่อหน่ายคายความยินดีเราก็เป็นพระเยบุคลได้ ก็ประเสริฐอะที่ชีวิตของเราตายไปเราไม่ตกนรกก็ประเสริฐเลยแถบยังจะได้สาเร็จเป็นพระอรหันไม่เกินเกีชาติมันมีผลมีอเนกสงมีความดีอยู่เราต้องทำเราอย่าประมาทกันให้ได้ตั้งใจทำความงามความดีเกิดมาชาตินี้พบนี้ต้องเอาให้ได้ ผู้บาอาจารย์ก็มีอยู่หมู่คณะก็มีอยู่ผู้ปฏิบัติความดีนะ่ะยังมีเพื่อนเดินทางอยู่ด้วยกันต้องสำคัญคนถึงทำถ้าไม่สำคัญไม่ทำหรอกคนน่ะคือยังไม่เห็นความจริงมันก็ต้องเยยนว่ายตายเกิด ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องเยียนไหวตายเกิดเราก็วางได้ยุติได้ก็เหลือแต่ความสุขความสบายท่านว่านัตถิสติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนิพพานังปรมังวารันติพุทธาพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระนิพพานเป็นยอดเป็นเยี่ยมเป็นจุดหมายสูงสุดของงานปฏิบัติ เราถึงหรื อ, อยังใจเราสบายไหมเราเห็นลมหายใจเข้าออกอ่อนๆไหมเราไม่ได้กาหนดแต่เราก็รู้ได้ใจเราสบายไหมจิตใจเราปวดโปล่ไหมโลภไหมไม่ทุกข์ไม่กังวลอะไรไหมถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไปได้แล้วเราไม่ต้องเยียนไหว่ระตอีกแล้วขอให้ทุกท่านทุกคน ได้เข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกเป็นตำราไว้หรือเล่มไว้ก็มากมายได้ทั้ง91เล่มพานนเ์เถระจำไว้ในสมัยธรรมสังคายนาครั้งแรกเรือกว่าปฐมสังคายนา บันทึกคำสอนอันนี้ก็ติดต่อกันมาจํากันมาเขียนลงในหนังสือสังขารยานาครั้งที่ห้าก็ได้บันทึกคําสอนของพระเจ้าลงในหนังสือในตำในกระดาษในแผ่นใบลานเนี่ยบันทึกคําสอนอพระเจ้าในแผ่นใบลานเนี่ยเพราะว่าคนต่อไปครับจำของคนมันจะไม่ดีมันจะไม่เหมือนสมัยนี้ ธรรมะก็แปด b i l l สี่พันพระธรรมขันธ์เราเอาปฏิบัติทุก ข, ข้อตลอดวันมันก็ไม่หมดธรรมะมันมีอยู่คําสอนมีอยู่อย่างเราเอาอนาปานสี่มาปฏิบัติเราก็เห็นชัดว่าใจเราสงบนี่ก็เอาแค่นี้เราไม่ได้เอาทั้งหมดเราก็เห็นใจของเราสงบใจของเราสงบได้เพราะใจของเรามีธรรมะ มีสมาธิทิมีความเห็นชอบปฏิบัติตามสมาธิทีนั่นแหละเห็นชอบตามสมาธิทินั่นเนยเราก็สามารถพ้นจากทุกข์ได้ถึงมรรคถึงผลได้หากว่าเราังไม่ถึงมรรคถึงผลก็อย่าประมาทให้ทำความเดียวไว้ ให้ทานไว้รักษาสิน่อยปฏิบัติไว้ถึงเวลาเป็นไปของมันเองถ้าเราทำจริงในที่สุดเราก็ต้องพ้นจากทุกได้ไม่กลับมาทุกอีกในวัตะสงสารอันแสนจะทุกข์ทรมานอันนี้ให้เราตั้งใจท่าความดีให้ได้ในชาตินี้ ใครจะได้เรื่องทานก็เอาใครจะได้เรื่องศีลก็เอาใครจะได้เรื่องภาวนาก็ยิ่งเอาอีกทำเอาทำไว้ไม่ถอยเราก็ต้องพ้นจากกองทุกได้แน่นอนเราจะหนีจากกองทุกไปไม่ได้เลยถ้าเราไ ม, ม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเรานีรุตุกได้ ความทุกข์ยากอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เราสามารถหนีได้เพราะเราได้ทำตามคำสอนของพระเจ้าแล้วให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติให้มันได้ปฏิบัติให้มันถึง ให้มันมีมาร์กมีผลเกิดขึ้นในใจของเราปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ใช่เฉพาะมานั่งในวัดอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติอยู่ที่ทำงานเราก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็คอยดูลมหายใจเข้าออกท่านองกินเราก็จะสงบสบายมีอารมณ์เป็นหนึ่ง มันภาวนาเป็นะนี่แบบนั้นภาวนาเป็นแล้วรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันก็ไม่ตกต่ำมีแต่สูงส่งขึ้นไปมีแต่ความสุขความเจริญให้ตั้งใจอย่าท้อถอย ให้ตั้งใจปฏิบตัติให้มันเกิดมากเกิดผลขึ้นมาในตัวของเราหรือว่าในใจของเราเราก็จะไม่ผิดหวังในชาตินี้จะมีความสุขความเจริญตลอดไปแยกขันธ์ ให้รู้ความจริงรู้ความจริงแล้วก็พ้นทุกได้ถ้าไม่รู้ความจริงก็หนีจากกองทุกไม่ได้เมื่อหนียังไม่ได้เราก็ไม่ควรประมาทควรจะทำบุญธรรมกุศลไว้ให้มาก จะเห็นว่าการทำบุญกรรมบุศนเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้จะได้บรรลุมากคผลก็มีอานิสงส์จากการทำบุญกรรุศน์นี่แหละการทำบุญกรรบุญศนให้ทานนี่แหละรักษาศีลนี่แหละก็จะทำให้เราถึงความสุขความเจริญได้แม้การเกิดจะมีมากมายไก่กองก็ตามถ้าเราไม่ประมาทในการให้ทานรักษาศีลเราก็ยัง มีสุขได้ในโลกอันนี้แต่ถ้าเราสามารถชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์เป็นพระเยบบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งเราก็มีความสุขใจแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนอย่าประมาทให้รีบเร่งสร้างสมคุณงามความดี ธรรมะคำสอนพุทธเจ้ายังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันเลยโลกนี้จะไม่หมดความฉุกความเจริญเลยขอให้ตั้งใจปฏิบัติ ต, ต่อไป